ปรามาสโคจจกะหนปรามาสทุกกะ1515สภาวธรรมที่เป็นปรามาตเป็นฉไนะทิฏฐิปรามาตเกิดขึ้นในจิตตุปปาฏิที่สัมปยุดด้วยทิฏฐี 4. สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปรามาตร้อยสิบหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเป็นฉไนะอกุศลที่เหลือเว้นปรามาตกุศลในภูมิสี่ วิบากในภูมิสี่อภยากตกิริยาในภูมิสรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นปรามาตยสองปรามัาตทุกะ1517สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นฉไนะกุศลในภูมิสอกุศลวิบากในภูมิสอัพยากตกิริยาในภูมิสาและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของปรามาสหนึ่ร้อยสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นฉไนมัคสที่ไม่นับเนื่องในวัตถทุก์สามัญญผลสีและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสสาปรามาสสัมปยุตตะทุกกะ1519สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาสเป็นฉไน จิตตุปาบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐีเว้นปรามาสที่เกิดขึ้นในจิตตุปาบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยปรามาสหนึาร้อยยสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาสเป็นไฉนจิตตุปาบาทที่สารคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐีจิตตุปาบาทที่สรคตด้วยโทมนัสสองจิตตุปาบาทที่สารคตด้วยวิจิกิจฉา จิตุปบาตที่สารคตด้วยอุทตจัะกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสอัอภยากตกิริยาในภูมิสามรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาตปรามาตก่าไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยปรามาตหรือวิปยุตจากปรามาตส 4. ปรามาสปรามัตถุกัะ ห5 2 1 21, ายสอสภาวธรรมที่เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตเป็นไฉไหนปรามาตนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตร 2, สิสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตเป็นไฉไหนอกุศลที่เหลือเว้นปรามาตกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสามอยกากตกิริยาในภูมิสาม และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาต์และเป็นอารมณ์ของปรามาต์หรือเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาต์หปรามาสวิปยุตตะปรามัตทะทุกขะ 1523สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาตแต่เป็นนารมณ์ของปรามาตเป็นไฉนจิตตุปปาฏิทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐ4จิตตุปปาฏิทที่สหรคตด้วยโทมนัสสองจิตตุปปาฏิทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปปาฏิทที่สหรคตด้วยอุทธจะกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสอัพยากตกิริยาในภูมิสาม และรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตรส1524สภาวธรรมที่วิปยุตจากปรามาต์และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต์เป็นฉนัยมรสีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์สามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากปรามาแตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต สภาวธรรมที่เป็นปรามาตและสัมปยุทธด้วย ป, ปรามาตกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธจากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตหรือวิปยุทธจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตปรามาสโคจัชะกะจบ 10. มหันตระทุกกะหนึ่งสารมานทุกกะ1525สภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นฉไนกุศลในภูมิสี อกุศลวิบากในภูมิสี่และอปิยากตะกิริยาในภูมิสามสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ได้ห้ายสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นฉนหะนรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ารับรู้อารมณ์ไม่ได้สองจิตตทุกก่ัหายสเสภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นฉนะ จักขวิญญาณโสตวิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมะโนวิญญาณธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นจิต1528สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นฉนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นจิต 3. เจตสิกะทุกกะ 1529สภาวธรรมที่เป็นเจตสิกเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเจตสิก 1530. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกเป็นไนจิตรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเจตสิก 4. จิตตะสัมปยุตตะทุกกะ 1531. ัอ สภาวธรรมที่สัมปยุตด mm, ้วยจิตเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยจิตหนึ่้าร้สภาวธรรมที่วิปยุตจากจิตเป็นไฉนรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากจิตจิตกล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยจิตหรือวิปยุตจากจิต 5. จิตตสังสัถทุกั 1533สภาวธรรมที่ระคนกับจิตเป็นไนเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิต1534สภาวธรรมที่ไม่ประคนกับจิตเป็นไนรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตจิตกล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ประคนกับจิต หจิตตสมุทฐานทุกะ1535สภาวธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นฉนัยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์กายวิญยัติและวจีวิญญัติหรือรูปแม่อื่นที่เกิดแต่จิตมีจิตเป็นเหตุมีจิตเป็นสมุทฐานได้แก่รูปายตนะสัธายตนะคันทายตนะรัยายตนะโพธพาายตนะ อากาศธาตุอาโปธาตุและหุตาธาตุมุทุตารูปกัมมัญญตารูปอุปัจจยรูปสัน ต, ติรูปและกวลิงการาหารสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีจิตเป็นสมุทฐานห5 3 6สภาวธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเป็นฉไนจิตรูปที่เหลือและนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเจจิตตสหภูทุกกะ1537สภาวธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตเป็นฉไนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันกายวิญยัตและวจีวิญญัตสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเกิดพร้อมกับจิต1538สภาวธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตเป็นฉไนะจิต รูปที่เหลือและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เกิดพร้อมกับจิต 8. จิตตานุปริวัติทุกกะ1539สภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตเป็นฉไนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันกายวิญยัตและวจีวิญยัติสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นไปตามจิต1540สสภาวธรรมที่ไม่เป็นไปตามจิต เป็นไนะจิตรูปที่เหลือและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นไปตามจิตก้าจิตตสังสัทธสมุทฐานทุกะหนึ่งพันห้า้อยสี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน หนึ่สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเป็นไฉนะจิตรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน 10. จิตตสังสัทธสมุทฐานะสหภูทุกะหนึ่ันห้ารสภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตเป็นไฉนะ เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิตมีจิตเป็นตมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิต1544สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นตมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตเป็นฉไหนจิตรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นตมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตสิอ จิตตสังสัตสมุทฐานานุปริวัติทุกกะ1545สภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตเป็นไนะเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิต1546า สภาวธรรมที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุขฐานและเป็นไปตามจิตเป็นไฉไหนะจิตรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุขฐานและเป็นไปตามจิต 12. อัจฉติกทุกกะ1547สภาวธรรมที่เป็นภายในเป็นไฉหนะจักขายตนะมนายตนะ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายใน1548สภาวธรรมที่เป็นภายนอกเป็นฉไนะรูปายตนะธรรมายตนะสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภายนอก 13. อุปาทาทุกกะ1549สภาวธรรมที่เป็นอุปาทายรูปเป็นฉไนะจักขายตนะ กัลลิงการาหารันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทายรูปหนึ่้าหสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเป็นไนกุศลในภูมิสี่อกุศลวิบากในภูมิสี่อภยากตกิริยาในภูมิส ม, มหาภูตรูปสและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทายรูปสิบส อุปาทินทุกกะ1551รสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือเป็นไนะวิบากในภูมิสามและรูปอันกรรมปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ 1552. สภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไนะ กุศลในภูมิสามอกุศลอพยากะตะกิริยาในภูมิสามรูปอันกรรมไม่ได้ปรุงแต่งมัคสีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏดทุกขสามัญญผลสี่และนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากรรมอันประกอบด้วยจันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือมหันตะทุกกะจบสิบเอ็ดอุปาทานโคจัตชะกหนึ่ง อุปาทานะทุกกะันรสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นฉไนะอุปาทานสคือหนึ่งกามุปาทานสองทิฏฐุปาทานสาสีรพัตุปาทาน 4. อัตตวาทุปาทานกามุปาทานเกิดขึ้นในจิตตุปปะบาทที่สรารคตด้วยโลภะแปด ทิฏฐปาทานสีรับพุตตาทานและอัตวาทุปาทานเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สัมพยุดด้วยทิฏฐิีสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทานหนึ่งห้าร้สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นฉไนะอากุศลที่เหลือเว้นอุปาทานกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อัพยากตกิริยาในภูมิสาม รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทาน 2. อ, อุปาทานิยทุกัปหนึ่ันหห้าสห้าสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉไนกุศลในภูมิสาอากุศลวิบากในภูมิสามอัพยากตากิริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทาน หน5 6หสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนิมัคซีที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกสามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสาอุปาทานสัมปยุตตะทุกกะหนึ่้ารหสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นไฉน จิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยโลภะสัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐี 4. จิตตุปปบาทที่สารคตด้วยโลภะวิปยุทธจากทิฏฐี 4. เว้นโลภะที่เกิดขึ้นในจิตตุปปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทาน1558สภาวธรรมที่วิปยุทธจากอุปาทานเป็นไงนะ โลภะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐี 4, จิตตุปบาทที่สารคตด้วยโทมนัสองจิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยอุทธจักกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสี่อภยากะตะกิริยาในภูมิสามรูปเลนิพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอุปาทาน 4. อุปาทานนะอุปาทานิยทุกกะ1559รสาภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและอารมณ์ของอุปาทานเป็นไนอุปาทานเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน1560 สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นฉนะอกุศลที่เหลือเว้นอุปาทานกุศลในภูมิสาวิบากในภูมิสามอภยากตกิริยาในภูมิสาและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ about, ของอุปาทานกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน 5. อุปาทานะอุปาทานสัมปยุตตะทุกกะหนึ่นสิสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นฉไน ทิฏฐิและโลภะเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมเหล่าใดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานหนารสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นฉไหนจิตตุปปบาทที่สรคดด้วยโลภะแเว้นอุปาทานที่เกิดขึ้นในจิตตุปปบาทนี้ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานหรือสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน 6. อุปาทานวิปยุตต์อุปาทานิยทุกกะันร สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนะโลภะเกิดขึ้นในจิตตุปบาทที่สารคดด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐีจิตตุปบาทที่สารคดด้วยโทมนัสองจิตตุปบาทที่สารคดด้วยวิจิกิจฉา จิตุปบาทที่สรารคดด้วยอุทจจักกุศลในภูมิสามวิบากในภูมิสมอัพยากตกิริยาในภูมิสมและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหนึ่สภาวธรรมที่วิปยุจจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นฉนะมักสีที่ไม่นับเนื่องในวัตถุก สามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวธรรมที่ 3, ทสัมปยุตด้วยอุปาทานกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานโคจัจักกะจบ สิบสองกิเลสโคจชกะหนึ่งกิเลสสัตถุกกะหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นกิเลสเป็นฉไนะกิเลสวัตถุสิบคือหนึ่งโลพะสองโทสะสามโมหะสี่มาณนะห้าทิฏฐิหกวิจิกิจฉาเจ็ดถีนะแปดอุทธจะเก้าอะหิวริกะสิบอะโนต ป, ปะ โลภะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สหรคตด้วยโลภะ8โทสะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สหรคตด้วยโทมนัสองโมหะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดมานะเกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐิสทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตตุปปบาทที่สัมบยุตด้วยทิฏฐิสวิจิกิจฉาเกิดขึ้นในจิตตุปปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ทีน่าเกิดขึ้นในอกุศลที่เป็น ส, สังขาริก่อุทตจะอหิริกะและอนโนต ป, ปะเกิดขึ้นในอกุศลทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลส1566สภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นฉนะอกุศลที่เหลือเว้นกิเลสกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสอัพยากตกิริยาในภูมิสาม รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกิเลส 2. สังกิเลสสิกทุกกะ1567สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นฉไนกุศลในภูมิสาอกุศลวิบากในภูมิสามอพยากตกิริยาในภูมิสาและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกิเลส 1568สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉไหนะมรซีที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกสามัญญาผลสีและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส 3. สังกิริธทุกกะักสบเสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นไฉไหนะจิตตุปบาทที่เป็นอกุศลสิบสอง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทาให้เศร้าหมอง1570ั15 70, สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นฉนกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสอัพยากตกิริยาในภูมิสรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทำให้เศร้าหมอง 4. กิเลสสะสมยุตตทุกกะ 1 5ึ่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเป็นไฉห น, นจิตตุปปาบาทที่เป็นอกุศล12สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสหนึ่ร้อยเสภาวธรรมที่วิปยุทธจากกิเลสเป็นไฉห น, นกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสอัพยากตกิริยาในภูมิสาม รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากกิเลสห้กิเลสสังกิเลสิกะทุกะ1573สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนกิเลสเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส1574สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไน อกุศลที่เหลือเว้นกิเลสกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสามอภยากตกิริยาในภูมิสาและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส 6. ก, กิเลสสังกิริททุกกะ 1,575 สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นไนกิเลสเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมอง 1,576 สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไนอกุศลที EN ่เหลือเว้นกิเลสสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส สภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเจ็ดกิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกกะหนึ่้าสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเป็นชนหนกิเลสสองกิเลสสเกิดขึ้นร่วมกันในสภาวธรรมเราใด สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลส1578สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไนอกุศลที่เหลือเว้นกิเลสสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่วิปทยุตจากกิเลสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส แกิเลสาวิปยุตตะสังกิเลสิกทุกกะ1579สภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นฉไหนกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสอัพยากะตะกิริยาในภูมิสและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส1580 สภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไฉมัคซที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกสามัญญผลสีและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส กิเลสโคจะชะกะจบสิบสาปิติทุกกะหนึ่งทัศเนนะปหาตัดพัทุกกะ158่อสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเป็นไฉนจิตุปปาบาทที่สัมพยุดด้วยทิฏฐีจิตุปปาบาทที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก จิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยโลภะวิปยุจจากทิฏฐิ4จิตตุปปบาทที่สารคตด้วยโทมนัสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปติมักก็มีไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคก็มี1582สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักเป็นฉนจิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยอุทัจจะ กุศลในภูมิ4วิบากในภูมิสอัพยากตะกิริยาในภูมิสารูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักส 2. ภาวนายปหาตับพาทุกกะ1583ั15 83, สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นไฉนจิตตุปปะบาทที่สรารคตด้วยอุทจจะ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามจิตตุปบาทที่สหรคดด้วยโลภะวิปยุ์จากทิฏฐิสีจิตตุปบาทที่สหรคดด้วยโทมนัสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีห5 8 4สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นฉไน จิตตุปปะบาทที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิสจิตตุปปะบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉากุศลในภูมิ4วิบากในภูมิสอัพยากตากิริยาในภูมิสารูปและนิพพานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน 3. ส 3. ทัศเนนะปหาตับพะเหตุตุกะทุกะ 1585สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นฉไนจิตตุปปะบาทที่สัมประยุทธ์ด้วยทิฏฐีจิตตุปปบาทที่สวรคตด้วยวิจิกิจฉาเว้นโมหะที่เกิดขึ้นในจิตตุปปบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักจิตตุปปบาทที่สรคตด้วยโลภะวิปรยุทธ์จากทิฏฐี จิตตุปบาทที่สหรคตด้วยโทมนะสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัค ก, ก็มีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัค ก, ก็มี1586รสบภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเป็นฉไนโมหะที่สหรคต ด, ด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปบาทที่สหรคต ด, ด้วยอุทธจะกกุศลในภูมิสี วิบากในภูมิสอัพยากตกิริยาในภูมิสรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัตส 4. ภาวนายปะปหาตัพเหตุตุกะทุกะ1587สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นฉไนะจิตตุปปะบาทที่สรคตด้วยอุทธจ เว้นโมหะที่เกิดขึ้นในจิตตุปปะบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามจิตตุปปบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุ <cerca monthly> like ์จากทิฏฐีจิตตุปปะบาทที่สหรคตด้วยโทมนัสสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มี 1588สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาเป็นชนยัยจิตตุปปะบาทที่สัมประยุทธ์ด้วยทิฏฐ4จิตตุปปบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาโมหะที่สหรคตด้วยอุทธจักกุศลในภูมิสวิบากในภูมิสอัพยากตกิริยาในภูมิสาม รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนส า, าสวิตตกาุกกะ1589สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นฉนหนกามาวจรกุศลอกุศลจิตตุปปบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล11ฝ่ายวิบากแห่งอกุศลสองฝ่ายกิริยา11 รูปาวจรปฐมฌานฝ่ายขุศนวิบากและกิริยาโลกุตระปฐมฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นวิตกที่เกิดขึ้นในจิตตุปปาฏานี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิตก1590สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นฉไนะทวิปัญจวิญญาณฌานสาและฌานสี่ที่เป็นรูปาวจรฝ่ายขุศล วิบากและกิริยาอารูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌานสมและฌานสี่ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิตกหกสวิจาระทุกกะ1591สภาวธรรมที่มีวิจารเป็นฉนะกามาวจรกุศล อกุศลจิตตุปปาบาทฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล11ฝ่ายวิบากแห่งอกุศลสองฝ่ายกิริยาสิอ็ฌานหนึ่งและฌานสองที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌานหนึ่งและฌานสองที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในจิตตุปปาบาทนี้สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิจารณ์ 1,592 สภาวธรรมที่ไม่มีวิจารเป็นฉนทะวิปัญจวิญญาณฌานสามและฌานตที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอารูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌานสามและฌานสามที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศ ล, ลวิบากวิจารรูปและนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิจาร์7สปีติกะทุกกะ 1,593 สภาวธรรมที่มีปีติเป็นฉันยิจิตุปปาบาทที่สารคดไดโสมนัส ฝ, ฝ่ายกามาวจรกุศลส 4, ฝ่ายอากุศลส 4, ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลห้าฝ่ายกิริยาหชาฌานสองและฌานสที่เป็นมรูปาวจรฝ่ายกุศล วิบากและกิริยาชาญสองและชานสที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นปีติที่เกิดขึ้นในจิตตุปปะบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปีติ1594สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นฉไ น, นจิตตุปปะบาทที่สหรคด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศลสีฝ่ายกุศลแปด ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลสอฝ่ายวิบากแห่งอากุศลเจฝ่ายกิริยาหกฌานสองและฌานสองที่เป็นบรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอารูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌานสองและฌานสองที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศแลแวิบากปีติรูปและนิพพาน สภาวัธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีปีติ 8. ปดีติสหคตะทุกกะ1595สภาวัธรรมที่สรารคตด้วยปีติเป็นฉนัยจิตตุปปาบาทที่สรารคตด้วยโสมนัส ฝ, ฝ่ายกามาวจรกุศลสฝ่ายอากุศลสฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลหฝ่ายกิริยาห้าฌานสองและฌานสาม ที่เป็นมรูปาวาจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาชาญสองและชาญสามที่เป็นมรกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นปีติที่เกิดขึ้นในจิตตุปปะบาทนี้แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคด้วยปีติ1596รสภาวธรรมที่ไม่สหรคด้วยปีติเป็นฉนะ จิตตุปปาบาทที่สหรคตด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศลสฝ่ายอากุศล8ฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศล1ิฝ่ายวิบากแห่งอกุศล7ฝ่ายกิริยา6กฌานสองและฌานสองที่เป็นบรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูป4ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌานสองและฌานสอง ที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากปีติรูปและอุวิพญานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สารคตด้วยปีติ 9. สุขสหคตะทุกกะ1597สภาวธรรมที่สารคตด้วยสุขเป็นฉนัยจิตตุปปาบาทที่สารคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศลสีฝ่ายอกุศลสีฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลหก ฝ่ายกิริยาหาชาญสและชานสที่เป็นบรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาชาญสามและชาญสที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลและวิบากเว้นสุขที่เกิดขึ้นในจิตุประบาทนี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยสุขหนึ่สภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขเป็นฉไนะ จิตตุปปาบาทที่สวรรคุด้วยอุเบกขาฝ่ายกามาวจรกุศลสี่ฝ่ายอากุศลแปดฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลสิบฝ่ายวิบากแห่งกุศลเจ็ดฝ่ายกิริยาหกรูปาวจรจะตุทชาญฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอารูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระจะตุทชาญฝ่ายกุศลและวิบากสุขรูปและนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สรคตด้วยสุข10อุเบขาสหคตาทุกกะหนึ่ันห้ารสภาวธรรมที่สารคตด้วยอุเบขาเป็นไฉนจิตตุปบาทที่สารคตด้วยอุเบขาฝ่ายกามาวจรกุศลสฝ่ายอากุศลหฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลสิฝ่ายวิบาแ ก, าากาบาแห่งอกุศลหฝ่ายกิริยาหก รูปาวาจรจตุตถฌานฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาอรูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาโลกุตระจตุตถฌานฝ่ายกุศลและวิบากเว้นอุเบกขาที่เกิดขึ้นในจิตตุปปาฏานี้สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคต ด, ด้วยอุเบกขาหนึ่งันหกรสภาวธรรมที่ไม่สหรคต ด, ด้วยอุเบกขาเป็นฉนะ จิตตุปปาฏิทิศวรคตด้วยโสมนัสฝ่ายกามาวจรกุศลสีฝ่ายอากุศลหฝ่ายวิบากแห่งกามาวจรกุศลหฝ่ายวิบากแห่งอกุศลหนึ่งฝ่ายกิริยาห้าฌานสและฌานสที่เป็นบรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาฌานสามและฌานสที่เป็นโลกุตระฝ่ายกุศลนวิบากอุเบกขา รูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สรคตด้วยอุเบกขาสิอกามาวจรทุกกะ160่เอสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นฉไนกามาวจรกุศลอกุศลวิบากแห่งกามาวจรทั้งหมดอัพยากตกิริยาที่เป็นกามาวจรและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกามาวจร หนึ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นไฉนสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกามาวจร 12. รูปาวจระทุกกะ1603สภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นไฉน ฌาน4และฌานห้าที่เป็นรูปาวจรฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูปาวจรหนึ่งันร้อสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นฉนสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตทุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปาวจรสิบสาม อรูปาวจรทุกกะ1 6 0่าสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นฉนอรูปสี่ฝ่ายกุศลวิบากและกิริยาสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอรูปาวจร1 6 0 6สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นฉไนสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตถุ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอรูปาวจร 14. ปริยาปนทุกะ1607รสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัตทุกเป็นไนะกุศลในภูมิสามอกุศลวิบากในภูมิสามอัพยากตกิริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่านับเนื่องในวัตทุก 1608สภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เป็นไฉนะมัคซที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์สามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่นับเนื่องในวัตทุกิบห้นิยานิกทุกกะ1609สภาวธรรมที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์เป็นไฉนะมัคซี ที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์1 6สิสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์เป็นฉ น, นัยกุศลในภูมิสาอกุศลวิบากในภูมิสอัพยากตกริยาในภูมิสารูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์16 นื้ตทุกกะันหกร้สสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นฉไนจิตุปบาทที่สัมปรยุทธ์ด้วยทิฏฐิสจิตุปบาทที่สหราชด้วยโทมนัสสองสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีมักสี่ที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าให้ผลแน่นอน 1612สภาวธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอนเป็นไฉนิจตุปปะบาทที่สหรคตด้วยโลภะวิปยุตจากทิฏฐ4จิตตุปปะบาทที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาจิตตุปปะบาทที่สหรคตด้วยอุทจจะกุศลในภูมิสมวิบากในภูมิ4อัพยากตากิริยาในภูมิสมรูปและนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าให้ผลแน่นอน 17. สอุตตะทุกกะ1613สภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นฉไนกุศลในภูมิสามอกุศลวิบากในภูมิสามอพยากตกิริยาในภูมิสามและรูปทั้งหมดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมอื่นยิ่งกว่า 1614สภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นฉไนะมัคค4ที่ไม่นับเนื่องในวัตถุก์สามัญญผลสี่และนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า 18. สารณทุกกะ1615ั 1, สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นฉไนะจิตตุประบาทที่เป็นอกุศลสิบสอง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้1616 16. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นฉไหนกุศลในภูมิสี่วิบากในภูมิสี่อัพญากตากตริยาในภูมิสามรูปและนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปิติทุกขะจบ ทุกขตุทาระจบอัตตกถากันจบธรรมสังคนิปกรณ์จบ